พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สมพฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าบาปหนาสาหัสปละ ในวัดของเราทั้งหมดส1มสิบเอ็ดรูปลงมาชั้นยี่สิบหกงดชั้นห้าบันนี้สมัมเนนสองนาคสามนาคจะบวชวันที่ห้านาคที่เตรียมจะบวชจะบวชวันที่ห้าปีนี้ลูกศิษย์วัดนาคให้น้ำดีว่ะช่วงนี้นาคให้น้ำดีช่วงนี้ฝนตกบ่อยเหลือเกิน แต่ที่ไม่ดีกันนี่แแถวบ้านผือเสาไฟฟ้าล้มละเนรนาดอาคารบ้านคนพกป้ายพกอะไรเนี่ยโอ้กระจุยกระจายลมปีนี้ลมแรงนะอลมแรงปีนี้แต่ก็นับว่าโชคดีแล้วก็ยังไม่พูดเต็มปากเต็มคำหรอกเพราะว่ายังไม่พ้นมัน ถ้าผลเดือนพุทธภามิตรนาไปแล้วจะพูดได้ในวัดของเราปีนี้รู้สึกว่าตลอดปลอดภัยลมลมไม่เข้าแต่เสียดหน้าเสียดหลังนะเะเสียดไปเสียดมาอยู่ข้างๆวัดของเรานี่ยแหละสวนยางขาดล้มระเนระนาดขนาดก่อไผ่ยังโค่นนะ สำนักใกล้ๆสำนักชีนแต่วัดของเรารู้สึกว่าตลอดปลอดภัยปีนี้เทพเจ้าเราเทวาคุ้มครองอยู่กั น, นแต่ว่าตามไม่จริงที่วัดของเราที่ผ่านมาสร้างมาป่าเขาทั้งสามสิบปีก็ยังไม่เคยมีจังๆยังไม่เคยมีจังๆที่อันตราย แต่ก็ยังมีครั้งหนึ่งนะเมื่อสามปีที่ผ่านมาพระอดอาหารพระอดอาหารท่านก็นั่งภาวนาหลวงพ่อวันนั้นหลวงพ่อในพรรษาหลวงพ่อนเนี่ยพูดเนี่นะพยพูดใจไม้เนี่ยนะก็ไปออกวิทยุวิทยุหลวงพ่อเพราะเป็นวันพระวันนั้นพระท่านก็นั่งภาวนาท่านก็นั่งฟังฟังหลวงพ่อพูดอยู่จยูพูดอยู่ที่ศาลาเนี่ยนะ กำลังพูดเลยได้ยินเสียงคลอมมระดังเลเอ๊แล้วก็เงียบหลวงพ่อก็พูดไปเรื่อย พ, พูดไปเรื่อยหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้ยโยมไปดูๆเสียวบาดเนี่ยมันจะลงกติหรือเปล่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยมันดังเสียงเหมือนเหมือนกับเสียงทับกระเบื้องและสังกสีอถูกกระเบื้องและสังกสีลักษณะอย่างงั้นแหละอ่า พอกไปดูที่ไหนพระกำลังคลานออกมาอยู่ไปหลังคาเนี่ยยุบหมดเลยดูพระก็เจ็บนิดหน่อยโอ้ถ้าดูหลังถ้าดูกุฏิแล้วก็ไม่รอดแน่ๆว่างั้นเถอ ะ, อะไม่รอดแน่ๆพบกิ่งซอยมึงโอบขนาดนี้ลงตรงอันนั้นเลยแปลว่ากระเบื้องทุกแผ่นเนี่ยแตกหมด อพระก็ได้คดรานออกมาไม่เป็นไรเอ ล, อ, รรรรรรอลงพ่อทพอหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็โอ้เทพเจ้าเหล่าเทวาคุ้มครองฟ้าดินคุ้มครองวะถ้าไม่งั้นตายแน่ต้องได้ต้องได้เผาพระแน่เลยนี่วะวะแต่อยู่อย่างนี้แหละคล้ายๆว่ามันมันหมดสภาพต้นไทรนะต้นไทรมันพึ่นไปพัน ขึ้นไปพันต้นไม้ตะแบกคือต้นไม้ตะแบกเป็นตรงตรงกลางมันไม้ไผ่ไม้ต้นไสมันก็ขึ้นพันพันเพราในต้นตะแบกมันอยู่ข้างในมันหมดสภาพท่นี่มันมันเป็นโพรงมันเน่าเนี่พอมันเน่าต้นไซจะอยู่ได้อย่างไงท่นนมันก็หักได้ทีเเนี่ยพอมันหักออกมาว่าไปที่อื่นก็ไม่ไปทับพระท่ี่กุฏิพระแปว่าได้สร้างหลังใหม่ขึ้นมา แปลว่าเกือบจะไม่ได้ไม้อะไรสักตัวเลยอยู่นั่ น, นเห็นแล้วโอ้นั่นแหละคือข่าวสาหัสสากันที่มาสร้างวัดของเรากัมีครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นแหละเอแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าเออพระองค์ที่มาอยู่น้ำภาวนาแล้วมันคิดอะไรหรือเปล่าเป็นก็ไปรู้นะเๆๆๆๆๆทวดาลงโทษวะอเทวดาสอน เอนั่งคิดนั่งอ่านนั่นแหะรือว่านั่งด่าหลวงพ่ออยู่ก็ไม่รู้หลวงพ่อกำลังเทศเนี่ยวะวะเออทําไมพูดมากนะักหลวงพ่อเนี่ยจะว่าอย่า ง, งนั้นไม่รู้เออ <c oughs> ก็เลยเทวดาลงโทษน <c oughs> อาการหนักพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นไรเนี่แหละที่สร้างวัดมาก็มีครั้งนั้นแหละก็นอกจากนั้นก็ก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆบางทีมันเหมือนจะลงศาลาหรือเอยเหมือนจะลงกุฏิแต่มันก็เสียด เ, ออเสียดเวียงไปนั่นละเหมือนกับมีอะไรมีภูมิมลุกขะเทวดาพักไม่ให้มันลงวนหลังคาหรือว่าที่อันตรายลักษณะอย่างนั้น อ, อ่ะเสียอยู่แต่ไม่มากเต่าอยู่ในป่ากธรรมดา อ, อ, อันนี้คือเราอยู่ในปา่าแต่ถึงยังไงเนี่ยอยู่ในปาน่ากระเบื้องมุงหลังคานทนี่กุฏิต่างๆ ต้องเตรียมไว้นะศรัาทธาญาติโยมลูกหลานนะเตรียมไว้ประมาณปีละส0งแผ่นทําไมยังเตรียมไว้ขนาดนั้นบางทีกิ่งไม้มันลอยและริีวมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เนะี่ยเปี้ยงลงมาลงมาเป็น4ี่ห้าหกแผ่น20แผ่นแผ่นจะทำยังไงได้เลยกว่าเราจะไปวิ่งหากระเบื้องมันช้านะมันต้องเอากระเบื้องที่สํารองไว้ขึ้นไปสอดรีบใส่เพื่อไม่ให้ข้างล่างมันเสียหาย นั้นมีอยูอ่กิ่งไม้มันหล่นลงมาทำให้กระเบื้องแตกเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงพยายามใช้สังกสีแบบรุ่นใหม่แผ่นยาวๆใส่เข้าไปเลยแ เ, ยเพื่อไม่ให้มันเพื่อไม่ให้มันแตกง่ายสาราหลังนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อสร้างมาปีสามศูนเห็นไหมป้ายเราก็ใช้กระเบื้อง มาปีที่แล้วเนี่ยมันก็ดีอยู่กระเบื้องกรพอใช้ได้อยู่จะใช้ไปอีกหลายปีแต่ว่าลิงทถนี่ลิงมันเยอะขึ้นมาใครโยมกระเบื้องเด็กก็แตกเอาเด็กก็แตกเอาโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเออลิงมาเล่นนั่นแหละวะก็เลยหาสังกสีเออเอาสังกสีเออรุ่นใหม่สังกะสีแผ่นยาวเขานะ มามุงเลยทนเนี่พอมามงุงหลวงพ่อบอกให้เลีงนมะมือขึ้นไปเลยวันเนี่ยถ้ามือจะขึ้นไปรืมมันต้องเอาค้อนทีจะปูขึ้นไปด้วยนะวะ <c oughs> ถ้าตะแก่จะเอามืองัดน่ยเดี๋ยวสั่งกสีบาทเอตัดนิ้วมือว่ามือนิ้วมือมันขาดนะวะวะมันก็ไม่ขึ้นไปนะหายเงี้ยบมันก็ไม่ขึ้นไปเพราะมันมันขึ้นไปแล้วมันเดินไปที่ไหนก็ มันไม่สะดวกมันแต่ก็เบื้องไม่ได้นะถ้ามันเดินไปนะกลกกลักะถ้ามันเดินซํามันเสียงดังกรกกลักเลยลิงจะกระโดดไปตรงนั้ น, น่ะขย่าวขย่าน่อยมันชอบที่ดังๆนะเออมาเข่าหน้ากับขย่าตรงเก่านั่นละมาเข่าหน้ากับขย่าตรงเก่านั้มันจะเหลือเลยกระเบื้องใช่ไหมนี่แหละอยู่ในป่าดลวงพงไพ่เนี่ยคณะจตหาญาติโยมลูกหลานเนี่ย มันธรรมชาติมันเป็นอย่างงั้นน่ะธรรมชาติอยู่ในป่าเรียนไม่จบเรียนรูหนึ่งก็ออกอย่างหนึ่งเรียนดังหนึ่งก็ออกอย่างหนึ่งเรียนธรรมชาตินอแต่ยังไงเราก็แก้ไขาตามธรรมชาติเอาปรับปรุงแก้ไขยอย่างป้ายเห็นไหมป้ายขึ้นมาลิงขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็มันยอกมันโครนเห็ไหอกระโดดเขยา่า เขย่าปังปังปงันเสียงดังแต่ข้าต้นนึ่งมากกเขย่าอีกต้นหนึ่งมากเขย่าอีกเอาไปป่าป้ายป้ายไม่จะอยู่ได้เลยเขย่าวต่อหลายครั้งต่ไหลายหมันก็พังเลยพวกกู่บาไม่ได้มันเขย่าขึ้นมากับหาเนี่ยให้เถาไวหวกิ่งต้นลักรรมเตรียมเป็นน้ํานามเลยไปมัดสายบันทั้งสองข้างให้มันเคลืนบันมันก็รู้จักแนละ้วมันก็ไม่ขึ้ืนอีก พ้อมัดเถาไอ้เก่งของต้นละก ร, รมเห็นที่เป็นน้ำหนามเน่ยใส่เข้าไปมันก็ไปขึ้นโอ้คณะสัทยาญาติโยมมาเยอะเลยวันนี้มาจากไหนลูกหลานไปนาซิดาครับนาซิดาเตเอ้ามาไม่ไกลในว่าจากนี้ขึ้นไปกราบพระภูก้อนนะพระภูกอนโอ้สวยงามลูกหลานพระพระนอนของคุณแม่ปิยวันงาม เขาแกะได้สวยถึงทางท่าด้านวัตถุแล้วก็ไม่แพ้ใครที่เขาทำเขาประดิษฐ์ประดอยจริงๆหลวงพ่อก็ขึ้นไปไปเห็นวัดป่าภูก้อนแต่หลวงพ่อวัดหลวงพ่อไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าโดงโพงไพ่นี่เป็นป่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติป่าธรรมชาติเนื้อที่ทั้งหมดพัน พันสามร้อยห้าสิบไร่นะในวัดของหลวงพอ่อกําแพงล้อมรอบมิถาปานะก็มีทัพระทัพระในะเยอะอยู่พระที่มาปฏิบัติมาภาวนาตั้งใจภาวนาแล้วก็มีสถานีวิทยุรับเสียงธรรมจากวัดของหลวงตากลางคืนมาหลวงพ่อก็ให้อย่าไปบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้อบรมนะ ฟังเทศหลวงตากลางคืนประมาณสองทุ่มจนถึงตีหหลวงตาจะเทศแสดงธรรมโดยมากกลางคืนนะท่านจะเทศเรื่องพระอบรมเรื่องพระเท่านั้นที่หลวงพ่อไปอบรมอยู่กับท่าน10กว่าปีนี่แหละเทศที่หลวงตาเทศนี่แหละอันเดียวกันนั่นแะท่านอบรมพระแต่ฟังพยายามฟังให้เข้าใจ เพราะว่าเทศธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยท่านเทศเป็นธรรมะที่ลึกซึง้งธรรมะภาคปฏิบัติธรรมะที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ใช่ธรรมะธรรมดาแต่หลวงพ่อเนี่ยพูดไปกับเหมือนกับคดีโลกบ้างคดีธรรมบ้างปูพื้นให้คณะสัทายาจยมศึกษาจากนั้นก็ ต่อยอดจริงๆกันนะไปฟังธรรมเทศนาของหลวงตาเราจะได้ฟังธรรมธรรมะที่ตัดกิเลสหลุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดน่ะธรรมเทศนาขององค์หลวงตาให้ฟังหน้าพระนะหลวงพ่อพยายามให้พระฟังแต่จะไปฟังเตลิดเปิดเปิงนะถ้าฟังเตลิดเปิดเปิงเปิดจนเคยชินเปิดทั้งวี่ทั้งวัน ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเปิดฟังแล้วก็ตั้งใจฟังนั่งสมาธิตั้งใจฟั ง, ง, ง, ฟงถ้าฟังจบแล้วก็เอาปิดแล้วก็นั่งภาวนาต่ออันนั้นเราฟังด้วยความใส่ใจฟังด้วยความสนใจฟังแล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติจะได้ผลแต่เปิดฟังแล้วก็เหมือนกับ เ, เป็นฟังไปเรื่อยออไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจผลี่สุดก็เลยทำรรมักก็เลยไม่ ไม่ซึมซับเข้าสู่จิตใจทําให้จิตใจของเราด้านเหมือนดินดานดินดานหน้าดินมันด้านเทน้ำลงไปมันก็ไม่เข่ามันไม่ซึมซับเพราะเหตุไรเพราะมันด้านมันฟังจนเคยชินเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเวลาฟังก็ตั้งใจฟังถ้าฟังแล้วก็นั่งภาวนาฟังเมื่อฟังจบแล้วก็ปิดก็นั่งภาวนาต่อ เสียงไหนที่เราได้ฟังมาแล้วที่ท่านแนะนําสั่งสอนแล้ววิธีการให้พิจารณาอะไรเราก็แนะนํำทำคําสอนของท่านนํามาประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยชน์สําหรับตนเองนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ดีที่ท่านแนะนําสั่งสอนและท่านไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนอะไรจากพวกเรา เหมือนกับท่านชีข้ขุมทรัพย์ให้พวกเราตนเองนะขุมทรัพย์อยู่นั้นนะไปขุดแล้วนะถ้าจะรวยอยากจะเป็นเศรษฐีนะแต่ถ้าว่าเราขี้เกียจเราไม่ไปขุดขุมทรัพย์มันยังอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราเชื่อท่านเราก็ไปขุดดินเพื่อหาขุมทรัพย์ที่ท่านชี้ไว้เราก็ได้ทรัพย์ เป็นกอบเป็นกรรมเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยเราก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์เลี้ยงชีวิตของเราจับจ่ายไส้สอยเราท่านได้มากกับเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไปเลยท่านก็ไม่ได้มาแบ่งเอากับเราอีกออครูบาอาจารย์เฮ้ยแต่แกได้เงินคําทรัพย์สมบัติแล้วทาไมาแบ่งเรานะพระพุทธเจ้าพระหันเถสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ แบ่งสรรปันส่วนจากพวกเราเมื่อพวกเราส่อแสวงหาทรัพย์ได้แล้วกันนะั่นเป็นสมบัติของเราเพราะนั้นเราจึงเชิดชูบูชาถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณ เ, เราจึงยึดว่าพุทธังทำมังสังขังสระนงังคัจฉามิ ครับเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสระณะเป็นที่พึ่งวันนี้ก็มีโยมวัดของหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาสร้างวัดนาคำน้อยตั้งแต่ริเริ่มท่านก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเรา่าผู้ใหญ่ลาบ้านชุมพลบิณฑพรบินธบาต ท, ทุกวั น, น, นพอบิณฑบาตในในวัดของเราบิณฑบาตสีสาย มีสี่สายการบินหลวงพ่อสายการบินเหมือนกันนะบินทบาดใช่ไสี่สายการบินนาคำน้อยแล้วก็นาคลังชุมพลห้วยเวียงงามสี่หมู่บ้านแต่บ้านชุมพลมีลูกหลานของผู้ใหญ่ที่เริ่มสร้างวัดป่านาคำน้อยแห่งนี้ผู้ใหญ่บ้านกับวัดมันก็ต้องหนีกันไม่ออกชักชวนชาวบ้านมาช่วยทำการทางาน เ, เคียงบาเคียงไหลกับพระคราวนี้ก็ท่านก็ได้จากไปแล้วตามอายุสังขารลูกหลานก็มาทำบุญอุทิศสวนกุศลให้วันนี้หลวงพ่อบอกอถูกต้องละลูกหลานาไม่ใช่แต่ลูกหลานทำนะหลวงพ่อก็ทาไม่ใช่ว่าจะยุให้คนอื่นทำตัวเองไม่ทำไม่ใช่นะหลวงพ่อนี่วันทาบุญลํเลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ หลวงพ่อเออชักชวนปีทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อทําบุญเมื่อวันเกิดแต่ปีนี้หลวงพ่อทําบุญเมื่อสมโพธิพระพุทธปฏิมาร่วมกันทําบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณของวัดตลอดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราอันนี้ก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแต่ลูกหลานที่มาทําบุญแต่ละครั้ง ก็ให้เราเราลำลึกป่าพ่อแม่ที่ได้ให้มรดกเราที่ดินบ้างที่อยู่กินไร่นาเลือกสวนไร่นาที่พวกเราได้อยู่ได้กินก็เพราะว่าท่านได้แบ่งมรดกให้กับเราเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ควรจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเพราะเราไม่มั่นใจว่าดวงวิญญาณท่านไปตกอยู่ณนะท น, น่ใดทุกยากลำบากอย่างไร พวกเราก็ควรจะอุทิศส่วนกุศลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อยกขึ้นมาให้คณะสัทธาญาติโยมลูกหลานได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆใชพาา่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงสกุล ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาบุตรชายบุตรสาวที่เกิดมาจากพ่อแม่จะปล่อยปาละเลยไม่ได้ถึงพวกเราจะมั่งมีสีสุขยังไงเวลาทำบุญอุทิศตักบาทหรือว่าไปทำบุญอะไรก็ตาม ทําให้กับโรงพยาบาลซื้อเครื่องไม้เครื่องมือสื่อซื้อเตียงซื้ออะไรให้โรงพยาบาลหรือว่าช่วยเหลือสาธารณประโยชน์สร้างโรงเรียนหรือว่าสร้างวัดวาศาสนาสร้างพระพุทธปฏิมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารอันไหนก็ตามสาธารณประโยชน์เมื่อทําเสร็จแล้วเราขนน้อมจิตลำลึกถึงบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในครั้งนี้คราวนี้ก็ขอให้ เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนดวงวิญญาณของพ่อแม่ขอให้มีแต่ความสุขตกอยู่ในสถานที่ใดพ่อแม่ดวงวิญญาณตกทุกที่ใดถ้าตกทุกข์ใดายากข อ, ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วข อ, ขอให้มีความสุขยิงๆขึ้นไปพวกเราในฐานะลกูกโลกทางหลายก็ควรจะล้ำลึกอย่างนั้นทุกครั้งที่เร า, เาได้ทําบุญอันนี้ก็คือบุตรบุตรทิดา อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเกิดมาพบไดชาติใดท่านไม่เคยลืมพระคุณของพ่อแม่พ่อแม่ดูเลี้ยงดูเรามายากลาบากขนาดไหนเราเลี้ยงดูลูกของเราเนะี่ยยากขนาดนั้นหละพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก็เหมือนกันกับเราเลี้ยงดูลูกของเราเพราะนั้นเราเลี้ยงมาเพื่ออะไรในใจลึกๆของพวกเราพวกเราเลี้ยงมา เลี้ยงลูกขึ้นมาก็เพื่อว่าจะได้ให้เมื่อเราเท่าแกชา่ชราเราจะได้ลูกลูกลูกของเราดูแลเราเป็นทอดตอบเป็นทอดดูแลเมื่อเราเท่าแกชา่ชราเมื่อเราช่วยตนเองไม่ได้ในความหวังลึกๆแต่ว่าบางครั้งเราโมโหขึ้นมาเราก็ไม่ได้บอกเล ย, เยกูไม่ได้พึ่งพาอาศัยสูขหรอกถ้าสู้ไม่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ ทำท่าว่าคู่ไปอย่างงั้นแหละแต่ว่าตามวิจใจส่วนลึกแล้วพ่อแม่ทุกคนก็ต้องพึ่งพาอาศัยเพราะว่าจะต้องเท่าแก่ชราถ้าไม่ตายง่ายทํำยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยลูกอันนี้ก็คือเป็นธรรมชาติของสัตว์ตวโลกพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านยังว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วให้เลี้ยงท่านตอบอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรา นะทุกๆคนเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบนอุทิศส่วนกุศลให้ท่านยังไม่ให้ปล่อยป่าละเลยอีกนะในถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะั้เราจะเห็นได้มากทีเดียวเลยพระพุทธเจ้าเกิดมาพบใดชาติใดท่านจะไม่ปล่อยป่าละเลยทดแทนพระคุณของบิดามารดานะ อย่างสุวรรณสามก็เหมือนกันชาตินั้นพ่อแม่ตาบอดอยู่ในป่าสุวรรณสามมาเลี้ยงดูพ่อแม่ตักน้ามาให้อะไรมาให้เลี้ยงดูพ่อแม่อย่างสุดๆนี่แหละถึงเกิดมาพบใดชาติใดแต่เราก็ไม่เคยมาเกิดเป็นสมัยพระพุทธองค์เกิดในตัดจรูเป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เถอะเมื่อท่านในตัตรูแล้ว พระมารดาประสูตธแล้วก็สวรรคตเจ็ดวันนะก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดสรพรพสัตว์ทั้งหลายพอทรงควรแล้วพระองค์ยังได้ขึ้นไ ป, ปโปรดพระมารดาอยู่ปนสวรรค์ชั้นดุสิตทั้งสามเดืนเอนเห็นไหมไอมก็ว่าตัดทั้งโรคไปเลยเอาไวล้ละพอละขนาดเนี้ โปรดโลกพอขึ้นไปโปรดพระมารดา เ, าเป็นนั่งแสดงธรรมอยู่ทั้งสมเดือนอยู่สวรรค์ชั้นรุสิทธ์อันนี้คือโปรดพระมารดาส่วนพระบิดาก็อาพอได้ตัดสรูด ก, กลับเสด็จมากรุงกบิลลพัทก็โปรดพระบิดาได้สําเร็จพระโสดาบันต่อมาอีกมาเทศพ ร, พระบิดาอีกได้พระอนาคามี พอป่วยที่วาระสุดท้ายพระพระโองค์เสเ็จเข้าไปในที่บรรทมที่นอนของพระบิดากับพระอา น, นุพ์พระราหุลพออประเทศให้ฟังพระบิดาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะไปเจ้าจุดโทธนาะณ์นะพระองค์บอกว่าสรงพระบิดาถึงฝั่งแล้ว ไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแล้วจบแล้วพระบิดาไม่ใช่สวรรค์นกศรัทธาะวรรคนิพพานอพระบิดานิพพานแล้วใกล้าว่าเป็นพระหันตะวันนิพพานนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองข้ามเรื่องพระคุณของบิดามารดาเพราะนั้นปีนี้หลวงพ่อได้ยินใครๆมาพูดให้ฟังลูก วางแผนค่าพ่อค่าแม่หลวงพ่อได้ยินโอ้สลดสังเวชใจทำไมเมืองไทยเป็นเมืองพุทธแท้ทำไมต่อไปขาดอาสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลาน น, ะนี่แหละมันจะได้ยินอย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเร า, เาแนะนําสั่งสอนลูกหลานาพ่อแม่ก็ให้ความใส่ใจในการบอกกล่าวลูกหลาน เรื่องศิลธรรมจริยธรรมแล้วเรื่องอย่างนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นแต่อันนี้มันห่างเหินทั้งโลกกันน่นมีแต่พูดกันแต่อย่างอื่นแต่ไม่จริงมันบาปกรรมหนักในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยบาปกรรมหนักอนันตริยกรร ม, มอนันตริยกรรมห้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกตัดเอาไว้นะ อนันตรียกรรมห้าอย่างมาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดาอารหันตะคาตฆ่าพระหัน์โลหิตตุบาททำร้ายทำรายพระพุทธเจ้าอย่างพโลหิตให้ห่อสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝ่ายคือยุโยงสงให้แตกกันสองฝักฝ่ายนี่ก็เป็นบาปหนักว่าสังฆเพศอันนี้เปลว่าอนันตเรียกรรมหอย่าง เป็นบาปหนักในหลักทำคําสอนของพระพุทธศาสนาฆ่าพ่อฆ่าแม่เหมือนฆ่าพระหันถ้าเมื่อใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้า ต, ตัวเองฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วฆ่าพระหันท่านว่าชีวิตทั้งชีวิตนั้นบวชไม่เป็นพระบวชก็ไม่เป็นพระถึงใครจะรู้ก็ตามบวชพ่อไปก็ได้แต่ผ้าเหลืองกับหัวโล้นเท่านั้นแต่ว่าความเป็นพระไม่มีเพราะว่าคุณธรรม จะริยธรรมในจิตใจนะมันขาดไปแล้วมันหมดสภาพแล้วหมดหมดความเป็นคนแล้วจิตใจมันดำปีแ๋แหละจิตใจเป็นสัตว์ธีรไฉานเป็นสัตว์นรกแล้วถ้าออกจากร่างกายเนี่ก็ล้วนะเอเวจีมหานรกเลยทนาะยกี่ปีจริงจะพ้นมาได้แปลว่าหมดชีวิตทั้งชีวิตนั้นแปลว่าหมดคล้ายๆกับว่าเราสั่งสมบุญบริมีมาในอดีตชาติ มานมนานจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลแล้วก็จริงแต่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วเกิดกลับไปนับหนึ่งใหม่บาปกรรมถึงขนาดนั่นแหละในหลักของพุทธศาสนาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอบอกกล่าวให้กับคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ได้รับทราบนะบาปหนักนะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหรันทำร้ายพระพุทธเจ้ายังรโรหิทย่่อยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักฝ่าย ในว่าอนันตเรียกรรมห้าอย่างเพราะฉะนั้นให้พวกเราให้รับรู้รับทราบเอาไว้นรกสวรรค์มีจริงไหมมีจริงใครก็ตามข้าพ่อข่าแม่ก็อันดับโลกอันดับแรกก็ติดโคกติดตรางนั่นอันดับต่อไปเมื่อล้มหายตายจากลงไปกันนะ่ะไปสู่อเวจี G. มหานรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายกรรมขึ้นมาทําไมเขาจึงถูกฆ่าอย่างนี้เขาทำไมเป็นอย่างนี้ แต่เราเห็นแต่ปลา ย, ลายมือแต่ต้นมือเราไม่เห็นอย่างพระโมคคาราพระโมคคาราเป็นอัคราสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าสาวก ข, ข้างขวาหอเหินเดินฟ้าได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนเป็นอ克สาวกฟังสถกับมือซ้ายของพระพุทธเจ้าอัระสาวก ข, ข้างขวาคือภาษาริบุตรเป็นมือขวาแขนขวาพระโมคคาราเนี่ยขาแขนแขนซ้ายของพระพุทธเจ้า แต่วันดีคืนดีมาถูกโจนฆ่าอยู่ที่กรุงราชเจ้าคือถ้าใครไปกรุงเมืองอินเดียจะรู้เล้วกรุงราชพื้นอยู่ตรงไห น, นอยู่ในหุบเขาพระโมคคลาถูกฆ่าอยู่ที่เมืองขยาศีษะถูกฆ่าโจนฆ่าแต่ทําไมพระโมคคลาจึงให้โจนฆ่าท่านเป็นผู้มีมีฤทธิ์มีเดชที่แรกท่านก็ นั่งอยู่ที่กุติของท่านคือโจรพวกโจรเนี่ยพวกเดรธีพวกนอกศาสนาเนี่ยมันเป็นพิษภัยนอกศาสนาเขาวานส ม, มณะโครมเนี่ยใครเป็นเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นผู้ประกาศเผยแผ่ช่วยส ม, มณะโครมว่าพโมคคลราเนี่ยเป็นตัวเต่งเพราะว่าท่านประกาศให้บอกว่าคนนั้นไปนรกคนนี้ไปสวรรค์กระหเหินเดินฟ้า มีอิทธิลิธิ์อีกต่างหากคนทั้งหลายนับถือเรื่มใส่ถ้าเราฆ่าพระโมคคลาซะคงตัดแขนพระสมณะโครมลงไปพวกเราก็คงจะมีกิติศัพท์ชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอันนี้พวกนอกศาสนาเขาก็ลงขันกันพอลงขันก็จ้างโจนห้าร้อยโจนมันมีอยู่แโจนก็ได้รับเงินแล้วกันเข้าไป ล้อมกุฏิพระโมคขาลาเนะี่ยพอเห็นพระโมกคลาขึ้นกุฏิตอนเย็นพอเป็นล้อมเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพระโมคขาลาเอ๊ะมันเสียงอะไรท่านก็อเสียงคนมาเนี่ยท่านก็เลยเหาะหนีเลยหายเงียบไปเพอท่านมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยพวนี้ก็เข้าไปง่วงเงียเข้าไปในห้องท่านหาท่านไม่เจอพอท่านเหาะไปแล้วเนี่ยพอครั้งที่สองอีกเขาก็เป็นล้อมอีกดักล้อมอีก เห็นท่านขึ้นกูตีอกพอขึ้นกูตีเอกล้อมอกีกพอล้อมขึ้นไปค้นหาอีกไม่เจออีกท่านหนีอีกสองครั้งพอครั้งที่สามพระโมกคลาทั้่านมันเป็นบาปกรรมอะไรวะทําไมเขาจึงจะมาฆ่ามาเปลี่ยนเปลี่ยนเราเนี่ยถือสัตร์อาวุธมาเนี่ยอาตารย์ธรรมจท่านคงจะรู้แล้วล่ะอันนี้ท่านของคงจะหลายรอบแล้วท่านก็รู้อือ บาปกรรมในอดีตของข้าหนีกรรมเลยหนีไม่พ้นแหละแทนนี้คนหนีอย่างอื่นหนี้พ้นแต่หนีกรรมหนีไม่พ้นข้าพระเจ้าได้ทํากรรมไว้ในอดีตข้าหนีไม่พ้นแหละแต่พอเขาขึ้นไปครั้งที่สามพระโมคคัลลากระนั่งจุกปุกเลยท่านไม่หนีท่านไม่หนีกรรมหนีไปมันก็้ยังงมันหนีไม่หนี้ไม่พ้น่หนีกรรมหนีข้าวนี่ก็บข้าวหน้าพวกโจรผู้ร้ายเขาเอ้าอยู่นี่ไว้ พรเขากระทบเลยนะ่ะกระทบจนแหลกเลี้ยวนะ่ะผลในสุขเขาก็ลากออกมาจากกุฏิไปทิ้งไว้กลางแจ้งพอทิ้งไว้กลางแจ้งเสร็จแล้วก็พระโมคขาลาอึงเรายังไม่ได้กราบลาพระพุทธเจ้าเราจะไปนิพพานไปเลยไม่ถูกต้องตามอัครสาวกที่พระพุทธเจ้าอพระสาวกทั้งหลายนี่ผู้มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยก่อนที่จะตายต้องไปกราบลาพระพุทธเจ้าซะก่อน แต่นี้เรายังไม่ได้กราบปลาพระองค์จากนั้นพระโมกคลาเลยประสานกายพระโมกคลาประสานกายเกยวหมอกระดูกทุกวันนี้เขาจมคาถามุมมหมุม่อมหม่อมหอมหแล้วว่าคาถาพระโมคขลาประสานกายแต่ในร่างกายท่าก็เป็นปกติเป็นปกติไม่เหมือนกับไม่มีอะไรเพราะประสานกายโดยฤทธิ์จากนั้นพระองค์พระโมกคลาก็เหาะไปกราบพระพุทธเจ้า บอกว่าพระพุทธเจ้ า, ข, าข้าพระองค์จะได้ขอลาปรินิพานแล้วเพราะว่าข้าพระองค์ถูกโจรทั้งหลายเขาทุบร่างกายแล้วข้าพระองค์ขอกราบลาพระองค์ปรินิพานพระเจ้าข้าพระองค์บอกว่าเออไปตามการอันควรของเธอจะนะโมคลาแต่ว่าก่อนที่เธอจะไปนะั้นเธอควรจะแสดงบุปกรรมคือกรรมดีและกรรมกรรมชั่วให้กับพวก น้องๆท้งหลายได้ฟังให้ดูสะก่อนนะอยวค่อยไปโมกคลาครับผมจากนั้นพระโมกคลาก็ออกราบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็แสดงบุปกรรมมาข้าพระเจ้าในอดีตก่อนที่ข้าพระเจ้าจะได้เป็นอัครสาวกเนี่ยฆ่าพรเจ้าทํากรรมอันไหนไว้ในอดีตได้สร้างบุญอันไหนไว้ในอดีตแต่ข้าพระเจ้าที่ถูก อ, อ กรรมไม่ดีก็มีท่านบรรยายเกี่ยวกับการสร้างบุญสร้างกุศลของท่านจากนั้นก็ลงมาจากอากาศกราบพระพุทธเจ้าจากนั้นท่านก็เหาะไปแล้วก็ไปทิ้งขันตรงที่โจรฆ่านั่นนะพลวลงนั้นเลยท่านก็เข้าสู่นิพพานอันนี้คือพระอาหารหันต์ทิ้งขันทิ้งไม่ยากนะจากนั้นคนทั้งหลายก็โจดขานกันเลยแต่เอ๊ะโมกพระโมคกราเป็นอัครสาวกเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช แต่ทําไมถึงจูกถูกโจรฆ่าเนะี่ยคนการพูดไปทุกหัวและแหงเ่ยพระพระพุทธองค์ท่านรู้อดีตอนาคตพระพุทธองค์บอกว่าโมกคลาสมควรตายเพราะกรรมของตนที่ได้กระทําไว้ในอดีตโมกคลาสมควรตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีตพระสงฆ์ท่างหลายกราบทูลถามว่าอดีตกรรมของพระโมคขลา ได้ทำกรรมอันไหนไว้หนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตของพระโมกคลาเนี่ยพระโมกคลาเกิดมาในภพนั้นชาตินั้น เ, นเกิ ด, ม า, ม, าดมาพ่อแม่ตาบอดพอโตมาพ่อแม่ตาบอดแล้วก็เลยแต่งพ่อตาบอดแล้วก็โมกคลาก็เป็นชายหนุ่มเลี้ยงพ่อแม่ทั้ทงเชา้ทาทั้งเย็นทั้งขำทั้งคืน ท, ทั้งทําไร่ทํานาทารั้วทาสวนทําตักน้ํา เลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่ก็เห็นว่าลําบากเกินไปก็ควรจะหาหญิงที่มีตระกูลเสมอกันแต่งให้ลูกชายก็เลยไปพูดกับญาติๆก็เลยแต่งงานให้ลูกชายพอแต่งงานมาใหม่ๆก็ดีพอแต่งมาอยู่นานๆเข้าเนี่ยลูกสะพ้ยก็เบือ่อหน้าพ่อผัวแม่ผัวเถี่ยพ่อแม่ผัวพ่อผัวตาบอดก็หาเรื่องหาราวยุให้ยุให้โมกคลาเนี่ยสามี ถ้าจะแก่ลักพอลักแม่ขัดฉันจะอยู่ด้วยไม่ได้ทางว่าท่านจะให้ฉันอยู่เธอก็จะต้องไม่มีพ่อแม่ของแก่พระโมกขลาก็อารมณ์ชั่ววูบเพราะว่าเห็นภรรยายุโยงก็เลยเอาพ่อกับแม่ไปฆ่าทิ้งแต่ตำราหนึ่งในประตรปิฎกบอกว่าประโมคขลาไม่ได้ฆ่าพอ่อฆ่าแม่เพียงแต่ไปขู่เฉยๆพ่อแม่เรียก อพอใส่เกวียนไปแล้วอับพ่อโมกขาลาพ่อแม่อนําเกวียนไปนะเดี๋ยวผมขอไปถ่ายไปไปป่าซะก่อนไปถ่ายซะก่อนพอเสร็จแล้วก็กลับมากับตะโกนเสียงขึ้นมาเป็นเสียงเสียงคนอื่นฮะอแต่ก่อนเป็นเสียงอีสานเนี่ยพอมาขู่ได้เป็นเสียงภาคกลางใช่ไหมท้งแม่พ่อแม่ตาบอดจะไม่เห็นนะโอ้ลูกเอ้โมกขาลายโจรจะมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ ให้หนีจะได้ลูกด้อย่ามาใกล้ได้ก ว, ว่าฮะพอเท่านั้นโมกคลาก็เลย<ม>ใจอ่อนฮตำราหนึ่งนะในพระไตรปิฎกนะตำราหนึ่งว่าท่านก็เลยไม่ได้ฆ่าก็เลยเอาพ่อแม่มาถึงขนาดนั้นแหละพระโมกคลายังถูกฆ่านะแต่ตำราหนึ่งไม่เป็นอย่างนั้นตำราหนึ่งบอกว่าถึงพ่อแม่จะเรียกร้องอย่างนั้นก็เถอะโมกคลายังฆ่าพ่อกับแม่ตายแล้วก็เสร็จแล้วก็ฝังไว้ในป่าแล้วก็กลับมาบ้าน แต่หลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อคิดว่านะไม่ใช่มั่นใจนะคิดว่าน่าจะถูกน่าจะฆ่าจริงจรงจรึงกรรมถึงจะหนักถึงขนาดนั้นถ้าขู่เฉยเฉนี่คงจะไม่ึคงจะไม่หนักขนาดนั้นอันนี้คงจะฆ่านะ่ะแ่ฆ่าพ่อฆ่าแม่จกกกมากนั้นก็ฝังแล้วก็กลับมานั่นแหละพระโมคขลาศออกจากชาตินั้นแล้วกันนะั่นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเลยท่านบาปกรรมพระโมกขลาศได้ได้ทับเอาไว้ แต่ถูกฆ่ามาไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติแต่พระโมคคลายังไม่พ้นทุกในชาตินี้พระโมคขาราเขคงจะถูกฆ่าอีกแต่นี้พระโมคขารำพ้นทุกแล้วคำว่าพ้นทุกคำนี้เหมือนกับท่านนั่งเรือไปข้ามฝากแล้วหมาหรือว่าค น, นมาถึงฝั่งนี้มันหาไม่เจอแล้วหาร่องร้อยไม่เจอแล้วพระโมคขาานั่งเรือไปฝากนู่นแล้วฝากทะเลฝากนู่นแล้ว คนละฝากกันแปลว่าเป็นโอโหสิกรรมเแปลว่ากรรมให้ผลสำเร็จคล้ายๆกับมันตามไม่ถึงกรรมตามไม่ถึงกรรมไม่ถึงความบริสุทธิ์จิตใจที่ท่านบริสุทธิ์แล้วนั้นนี่แหละสรุปแล้วก็คือเรื่องพ่อเรื่องแม่อันันต ร, ริยกรรมห้าเนี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยในหลักทำคาสอนของพุทธศาสนาพระนังของฝากไว้กับคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะที่ได้ยิน ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนะหลวงพ่ออ้างอิงถึงพระไตรปิฎกหรือว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมคาสอนของหลวงพ่อนะอ่าอ้างอิงมาพระไตรปิฎกท่านตรัสไว้อย่างนี้เราก็เห็นด้วยมันจริงกรรมนกำกรรมไหนทําแล้วกรรมนั้นจะตามสนองนะที่หลวงพ่อเคยยกบ่อยครั้งนะว่าอัคตังดุกตังเซยโยปัชชาตปฏิดุกตังยยตตกรรมชั่ว อย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังการทำการทำกรรมกรรมทำได้สามทางมนโนกรรมคือคิดทางใจก็เป็นบาปคิดทางใจคิดก่อนแล้วก็ลงมือทำแล้วก็พูดเพราะนั้นทำการทำกรรมทำได้สามทางมนโนกรรมกายกรรมวจีกรรมการทำกรรม มนโนกรรมก็ตามกายกรรมก็ตามวิจีกรรมก็ดับก็ตามเมื่อทำกรรมไปแล้วกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อทำกรรมชั่วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลตามมาตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทาถ้าทาแล้วตนเองจะเดือดร้อนกรรมชั่วนั้นจะตามให้ผล เพรานั้นเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบแนวแถวคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนให้พวกเราคิดกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่เราได้ยินได้ฟังเป็นยังไงถ้าเราทำกรรมไม่ดีไว้กรรมไม่ดีจะตามสนองแต่ตัวเองขณะที่ทำก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองฉลาดตัวเองโมโหโกธาใคร จับไม่ได้ใครทําอะไรฆ่าไม่ได้ฆ่าเฉียวฉลาดไอ้พวกนี้แหละพวกที่ว่าฉลาดฉลาดทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละอไปนอนอยู่ในคุกในตรางอยู่ในเรือนจํำพวกนี้แหละพวกที่คิดว่าตัวเองฉลาดนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมมามากหลวงพ่อก็ได้พูดแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษา อาตอนนี้ไปรับพรนะเตนีนาอุทิศวนกุศล น, นะ